บางท้าเราจะมีความขี้เกียจกำลังทำงานกำลังทำอะไรอยู่รู้สึกมันหนาว ม, นมันขี้เกียจอันนี้แหละคือตัวสัตรว์ร้ายในชีวิตของเราคนที่ขี้เกียจเนี่ยจะ ไ, ไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในชีวิตความขี้เกียจจะเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้กิเลสเนี่ยเช่นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยา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 ไปทำอะไรก็ตามเนี่ยทำตามที่จิตใจมันอยากเหนื่อยซ้ํำสองล้ทุกซ้ํำสองแต่พอทําแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ ใ, ใจอยากนะพอไม่ได้ ใ, ใจอยากนี่มันก็เหนื่อยอีกเนี่ยเป็นทุกซ้ำสามดับเบิลทุกเรื่องของกิเลสนะนี่แก่ความโลภนะถ้าความโกรธเน้นหนักก็ไปใหญ่เลยแค่คิดไม่พอใจใครเนี่ยจิตมันก็เหน็ดเหนื่อยแล้วถ้าเราไปทําตามความคิด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 รู้จักต่อรองการต่อรองกิเลสเนี่ยมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งอย่างน้อยเราก็ไปทําตามละนี่เราชนะไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วระยะเวลาต่อรองนานๆขึ้นเนี่ยบางทีมันจืดจางไปเลยนะเมื่อกี้กิเลสมันลืมนะเอกีมันดับไปเลยบางทีอาจจะดับเพราะว่ากําลังสติเราดีหรือดับเพราะว่ากําลังกิเลสมันหมดเพราะความไม่เที่ยงใช่ไหมกิเลสมันก็มีเที่ยงเราต้องมีสติเป็นบังเกอร์ รู้ให้เท่าทันแล้วก็ตัดกําลังกิเลสตับอาหารเขาโดยการไม่ทําตามถ้าเราทําตามกิเลสทุก้งทุกคราไปเนี่ยถ้ากับเราให้อาหารเขาต่อไปเขาก็จะอ้วนขี่คอเราได้นั้นเวลามันเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดความคิดที่เราเห็นว่ามันเป็นกิเลสล่ะให้เรามีสติเป็นบังเกอร์รู้เท่าทันในอาการเหล่านั้นแล้วก็ไม่ต้องทาตาม กิเลสนี่ไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกแต่เราไม่ต้องไปทําตามเขาที่แหละคือเอาชนะใจตัวเองเนี่ยดีกว่าเอาชนะใจคนอื่นอีกเอาชนะใจตนเองขออธิษฐานว่ากิเลสมีไว้เพื่อให้เอาชนะไม่ใช่มีไว้เพื่อให้ทำตามการปฏิบัติทำเนี่ยท่านบุถ้าจะให้ได้ผลเร็วเนี่ยเราต้องมีศรัทธา คือความเชื่อเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทำให้ชีวิตเราดีได้ท้ายมีความสุขในชีวิตแก้ปัญหาชีวิตได้โดยเฉพาะการเจริญสติในแนวหลวงพ่อเทียนแบบเคลื่อนไหวหรือแบบการเจริญสติประฐานสีน่ทุกวิธีการที่เราได้ลงมือกระทาถือว่าวิธีการแบบนี้ สามารถนำพาจิตใจเราเนี่ยให้เอาชนะความทุกข์ได้เราต้องมีความเชื่อมั่นเมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีสภาวะอื่ น, นติดตามมาคือเชื่อว่าเราทาได้วิธีเนี้ยดีเดี๋ยวมันก็จะมีความขยันหมั่นเพียรแค่เราเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็เดี๋ยวมันก็มีความเพียรขึ้นมาเองเป็นกระบวนการตที่ตามกันมาเมื่อมีความเพียรแล้ว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 มันไม่มีให้เราดูหรอกมันเป็นสมมุติว่าใจอย่างนี่มันเป็นสมมุติใจที่แท้จริงนั้นมีแค่ความรู้สึกอย่างเิ่นเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้สึกว่าอ๋อนี่มันคิดจบอย่าไปรู้ยาวๆว่ามันคิดอะไรดีไหมอันนั้นมันเป็นสมมุติแล้วมันยาวแบยังดูไม่ตรงนะดูที่ความรู้สึกก็มันคิดแล้วก็จบเลยแต่ถ้ามันคิดไปยาวแล้วเราก็รู้ได้นะให้รู้ทันว่าอ๋อนี่มันสมมตินะ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 ความรู้สึกของนามคือจิตอาการของจิตเนี่ยดูแค่ความรู้สึกแล้วก็จบเลยอย่างเช่นตอนเนี้ยมันมีอากาศหนาวเกิดขึ้นเนี่ยใครมันหนาวรูปมันหนาวอันที้จริงรูปมันไม่หนาวหรอกรูปมันไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ที่รู้สึกหนาวนั้นคือตัวเวทนานะเป็นตัวนามนามเวทนามันรู้สึกว่ามันหนาวเป็นทุกขเวทนา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 แม้ว่าเราเกิดความหนาวอยู่ขนานี้ก็ไม่เป็นไรถือว่านี่แหละคือแบบหัดบทเรียนให้เราได้เจริญสติอย่าปล่อยให้เราหนาวฟรีฟรีทุกฟรีฟรีให้เราบิสติรู้เท่าทันเอาความหนาวความที่เป็นทุกขเวทนาเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์เจริญสติไปซะเลยเปลี่ยนทุกให้เป็นไม่ทุกเปลี่ยนความหนาวเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยน ปัญหาให้กลายเป็นปัญญา